ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องโพุทชงมาโดยลำดับซึงจะเห็นว่าสัวธรรมะหลักนั้นคือสติธรรมะวิจัยและความเพียรเป็นหลักการสำคัญในการปฏิบัติ จึงธรรมะสองข้อนี้ในมาสติปัฏฐานสูตรสงใช้กับว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรที่ปกิเลสได้เราร้อนสัมัชานะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นความรู้ก็สัมพันธ์สัมพันธ์กับขณะที่อารมณ์เรานั้นบังเกิดขึ้นเป็นกระไๆก็เราจะหยิบของจะช่วยของมีความระลึกรู้สัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะหยิบเราจะช่วย มากระทาไปได้บางครั้งบางคราวก็เป็นไปได้รวดเร็วมีความชมนนานิชำนาญแล้วสติมาคือต้องมีสติในขณะเดียวกันเมื่อธรรมะทั้งสามประการนี้มีอยู่เวลาประพฤติปฏิบัติไปในอารมณ์กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งก้อนอาการของปีติก็บังเกิดขึ้น แต่ปิตินั้นเป็นการฟูขึ้นของจิตบางครั้งก็เป็นปิติเพียงบุปปาบบางครั้งก็เป็นขณะบางครั้งก็รู้สึกว่าสู้ซาบางครั้งก็รู้สึกคล้ายๆกับตัวจะพองตัวจะลอยอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นอาการปรากฏว่าจิตมันรวมตัวเป็นสมาธิขึ้นระดับหนึ่งแต่ยังไม่จะเป็นสมาธิที่แท้จริง ดังนั้นใจก็จะรวมเข้ามาเป็นปัสสธิคือสงบกายสงบวาจาและสงบข้าไปถึงใจใจก็จสงบจากกิเลสไปโดยลำดับและเมื่อถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นสมาธิสมาธินั้นแปลว่าอาการที่จิตมีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ซึ่งกระตุต้นมาจากข้างนอกหรือเหนียวนึกมาจากข้างใน อารมณ์ที่กระทบใจเราที่ทำใจให้วันไว้ไปด้วยประการต่างๆนั้นเป็นสังเกตว่าบางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่กระตุ้นมาจากข้างนอกเช่นโดยการเห็นรู ป, ประตาเป็นต้นใจก็จะไปกําหนดอารมณ์นั้นด้วยความรักหรือด้วยความชังที่ทรงใช้อำมาด้วยความยินดีหรือด้วยความยินร้าย แต่ไปกำหนดด้วยความรักกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะก็บังเกิดขึ้นมีความปรารถนาฝ่ายควาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถื้อครองเพื่อเกืบอพร่องเพื่อความเป็นเจ้าภาพเจ้าของจะนั้นกระบวนการแห่งปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาเช่นมีความติดตกกังวลมีความห่วงใยมีความหวง บางครั้งบางคราวก็ต้องมีการป้องกันมีการราาักษามีการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่ตนรักเอาไว้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นก็จะเป็นสุขใจแต่ว่าลึกๆก็มีความมิตกกังวลคล้ายๆกับเราได้เงินเบิกเงินมาจํานวนมากเนี่ยในส่วนหนึ่งก็รู้สึกสบายใจภูมิใจที่มีเงิน แต่ส่วนหนึง่งก็มีความวิตกกังวลกลัวภัยกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเงินเหล่าน uh, ั an, ้นได้เกิดขึ้นเพราะเงินเหล่านั้นเป็นเหตุก็บางครั้งก็มีการปล้นกันเอาทรัพย์ไปหรือบางครั้งปล้นแล้วก็ฆ่าเจ้าทรัพย์เป็นตจนซึ่งถ้าเราดูให้ดีแล้วก็เพราะมีเงินเป็นเหตุถ้าเราไม่ครอบครองเงินทองเหล่านั้นเอาไว้ก็ไม่มีโจรมาปล้นเพราะไม่มีอะไรจะให้ปล้นเมื่อไม่ปล้นเงินก็ไม่หายเพราะไม่มีอะไรจะให้หาย ที่สำคัญอย่างยิ่งคือชีวิตเราก็ไม่ถูกทำลายไปเพราะต้องการจะแยกเงินทองเหล่านั้นแต่ความรู้สึกเหล่านี้ถ้าตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีความรู้สึกปล่อยภาปรารถนาเพื่อได้เพื่อเมย์เพื่อเป็นเพื่อคื อ, อครองพอืครอบครองอย่อย่างนั้นกิเลสเพศที่เกิดความยินร้ายก็คือว่ามองด้วยความขัดเกื้อมองด้วยความไม่พอใจ เป็นการกําหนดอารมณ์โมเองเื่ออารมณ์เหล่านั้นมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นรูปก็สัว์แต่ว่ารูปเสียงสักแต่ว่าเสียงถึงสังเกตว่าเราเห็นรูปเดียวกันแต่ว่าใจเราคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดศรัทธาบางคนอาจจะเกิดเฉยเฉยบางคนอาจจะเกิดความกำหนัดบางคนอาจจะเกิดความกัดเกลืองบางคนอาจจะเกิดความรุ่มหลงบางคนอาจจะเกิดความมัวเมาก็แล้วแต่ ไอ้ที่แล้วแต่นั่นก็คือพื้นฐานจิตในประการหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกต่อสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆประการหนึ่งแต่พื้นฐานที่มีอยู่ภายในจิตเรานั้นมีความสำคัญกนนี้พึงสังเกตแม้แต่การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกซึ่งคนน่าจะได้รับประโยชน์จากการบังเกิดขึ้นของพระองค์ส่วนใหญ่ แต่มีคนส่วนใหญ่นั้นเฉยๆคนอีกส่วนหนึ่งก็ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าคนอีกส่วนหนึ่งก็ให้ปาล์มยอมรับนับถือศรัทธาต่อพระองค์คนกลุ่มนี้ก็ได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งๆที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นมาเบียดเบียนใครแต่ว่าเป็นผู้นุ่เครื่อต่อชาวโลกทำประโยชนเพื่อกูลแก่ชาวโลก แต่คนก็ยังมีความรู้สึกได้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานภายในใจของเขาอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหม่ๆตอนนั้นก็เสด็จไปที่กรุงราชครึ่แล้วในโปรดพวกระาสารีบุตรประโมคคาลานานแล้วก็แสดงว่าในกรุงราชครึ่ก็มีคนออกบวช250ท่านด้วยกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีที่ท่านเหล่านั้นเลือกทางเดินของตอนเดกได้ถูกต้องโดยสละละทิ้งละทิ้ของสัญชัยปริภาโชคมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏ ว, ว่ามีคนไม่พอใจเป็นจำนวนมากมีการปลุกระดมกันที่กรุงราชครึกแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธเจ้าโดยประการต่าง ว่าประสัมมนาโคดมเสด็จออกบวชจากสกยตสกุลก็ทรามาอย่างพระนครเป็นจเจครีรีที่เรียกว่าข้อเขาคือมีเขาล้อมอยู่โดยรอบแล้วก็นำคนทั้งหลายออกบว่อนก่อนก็นำพวกอูราชดินออกบวชคนก่อนนั้นก็นำพวกปริพาชาไปิสันชัยปริพาโชวออกบท เป็นการิบัตรตัดสกุลของชาวบ้นานคนในสมัยนั้นมีความเชื่อว่าสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะประเทศอินเดียเนี่ยคมีความเชื่อว่าคนเราถ้าเกิดมาแล้วไม่มีลูกชายในตายไปตกนรกนรกนั้นชื่อว่าปุตตะ่นก็ต้องพยายามที่จะมีลูกชายให้ได้มี ว, วิธีในการหาลูกชายกันด้วยประกาศต่างๆจนมีลูกถึงสี่ห้าประเภทด้วยกัน ก็กลัวว่าจะตกนรกเพราะเมื่อไปกราบหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นการพรากลูกไปจากพ่อแม่เป็นการพรากสามีไปจากพันดาเป็นการพรากพ่อแม่ไปจากลูกเนี่ยมันทำให้สกุลเขาสืบต่อไม่ได้แล้วก็ดีไม่ดีกว่าจะตกนรกเอาเพราะไม่มีลูกชายสืบต่อสกุล มีการปลุกระดมกันอย่างรุนแรงคนเริ่มรวมตัวกันพระเจ้าก็ส่งพระไปชี้แจงให้เกิดความเขาใจและในสุดเสียงจากิษยาเหล่านั้นก็หายไปผู้ที่เข้าใจเหตุผลก็เกิดสัทธาภาษา่าเรื่มใสก็ออกบวชในสำนักพระพุทธเจ้าอีกเป็นนันมากแต่เราจะเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัฒ์ จึงคงปินเป็นปีที่สองหรือปีที่สามหลังจากสัสรุปตอนนั้นมีพระสงฆ์เป็นหมื่นแล้วมีถึงสองหมืนรูปที่ตามเสด็จพระองค์ไปในคราวนั้นถือว่าเป็นการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเทียบกับคนส่วนใหญ่ก็เป็นคนเล็กน้อยท่า น, นเลงคนสองหมื่นคนแล้คนส่วนใหญ่ก็คงไม่ให้ความสาคัญไม่ใส่ใจ ในศาสนาธรรมคําสอนของพุทธเจ้าอยู่กันเองเพรา ะ, ะความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่บุคคลสัมผัสในขณะนั้นๆมีความสําคัญอยู่มากแม้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้คุณค่าไม่เห็นประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องดอกนั้นที่เราพูดถึงการใกล้เกลืกินดาน่าง หมายความเราอยู่กับเรลือแต่ว่าไม่สามารถจะหาประโยชน์จากเปลือได้ต้องไม่กินดังการใช้ชีวิตของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะนการเหนียวนึกตึกนึกบางครั้งเนี่ยเป็นการกำหนดเอาเองแต่ว่าเรามีพื้นพื้นฐานภายในจิตที่ต่เราเรียงจากข้างในนะเสียงมาจากข้างในเขาเรียกว่ามีการมธาต เช่นที่พอใจเนี่ยแสดงว่ามีกรรมธาตุคือเชื้อของความใคร่ที่ไปอยู่ภายในจิตใจของเราให้ลองสังเกตลักษณะของเชื้อความใคร่เนี่ยคล้ายๆกับอาหารเนี่ยอาหารบางอย่างเราเห็นปั๊บเนี่ยเราไม่กล้ารับประทานเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นไม่เคยรับประทานมาก่อนไม่กล้าเสียงอาหารบางอย่างเราเห็นปั๊บเราก็รีบรับประทานเพราะว่าชอบแสดงว่ามีเชื้อของความใคร่ในอาหารตรงนั้นอยู่ อันบางอย่างอาจจะลังเลไปหน่อยแล้วก็รับประทานหรือไม่รับประทานก็ตามแต่พื้นฐานของความคิดในขณะนั้นนั้นเพราะอารมณ์ที่มากระทบในใจเราก็ดีหรือกระทบจากข้างนอกก็ดีถ้ามีเชื้อคือความใคร่ียดอยู่ภายในใจความใครีความพยายามตรความชั่งอะไรต่อะไรต่างๆก็เหมือนกันคือธาต่มันมีอยู่ทั้งหมดแต่ตีต่างว่า เป็นการมาธาตุคือเชื่อของความใคร่ใจจะไปกาหนดด้วยอํานาจของความใคร่เราเรียกวการมมสัญญาคือกําหนดว่าสิ่งนี้น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อจิตไปกำหนดบ่อยคราวมันก็กลายเป็นคิดถึงก็เรียกวการมมสังกปะคือคิดถึงด้วยอํานาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ก็คิดถึงมากข้าวมากข้าวมากข้าวเนี่ย จิตใจมันจะเกิดเป็นความเร้าร้อนเป็นเป็นชั้นทะคือความพอใจความพอใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในที่สุดก็เร่าร้อนโดยความอยากได้ในสิ่งดอกนั้นเมื่อเกิดความเร้าร้อนเกิดความอยากได้ก็มีการดิ้นรนจิตใจมันดิ้นรนคือเกิดเป็นตัณหาขึ้นมาเมื่อจิตใจดิ้นรนหนักข้าหนักข้าวในที่สุดมันก็ทนอยู่ไม่ได้ ออกไปแสวงหาความปริยสนาบนเส้นทางของการแสวงหานั้นอาจจะชอบทําบ้างไม่ชอบทําบ้างก็าตามแต่พื้นฐานของบุคคลเหราแต่ในขณะแสวงหากันอยู่นั่นเองบางครั้งก็มีความขัดแยง้งในการต่อสู้เพื่อยึดกุ่มเพื่อถือครองสิ่งเหล่านั้นซึ่งมางเรื่องถ้าเรามองให้ลึกซึ้งแล้วนี่ไม่น่าเชื่อว่า มันกลายเป็นศึกสงครามขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเรามองในแนวของศึกสงครามถ้าถามว่าศึกสงครามทั้งหลายคือการที่แย่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรในเมื่เกิดขึ้นมาจากตัญหาคือหมายความว่าคนต้องการวัตถุสิ่งเหล่านั้นด้วยกัน ฝ่ายหนึ่งก็ต้องการในฝ่ายหนึ่งก็ต้องการแล้วในสุดไม่ยินยอมกันเช่นการ น, นีพิพาทเรื่องดินแดนการ น, นีพิพาทเรื่องเกี่ยวกับคนการนีพิพาทเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆอะไรอะไรที่เกิดเป็นศึกสงครามกันอย่างวรรณคดีของเราเช่นเรื่องรามเกียรติก็ดีเรื่องปราบภัยมันดีก็ดีเรื่องคนช้างคนแฝงก็ดีเราเช่นว่าก่อการทะเลาะวิวาทกันจนเป็นศึกสงครามเนี่ย มันก็เกิดมายักตัณหาในสิ่งเดียวกันคือเรื่องรำเกียร์ก็ตัณหาในนางสีดาด้วยกันทศกัณฐ์ก็อยากได้พระรามก็ไม่ยอมในสุดก็ระดมคนมาต่อสู้รบกันไปชิงคนเวียงคนเดียวแต่คนตายไปเป็นไม่รู้สักเท่าไหร่นั่นคือสแสดงว่าพอตัณหาแล้วเหตุผลรติปัญญามันหายไปแตกตื่ใจจิตใจก็จะไม่สงบ พอถูกแรงตัณหาเหล่านั้นแล้วในจุดนั้นเองบางทั้งมันก็เกิดไปหมดเป็นมาหน้าถือตัวโทศกาณ์ถือตัวตัวเองเป็นวงพรมเมตระรามก็ถือตัวตัวเองเป็นสุริยวงเป็นวงของพราทิศแต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมตึงการใดกันในสุดก็บาดเจ็บต้ตายกันอย่างที่เรารู้นั้นแสดงว่าเกิดขึ้นมาจากตัณหา บางครั้งเกิดขึ้นมาจากมานะคือความรู้สึกว่าเราเป็นหรือต้องการจะเป็นเปการต่อสู้กันแม้ในปัจจุบันในต่อสู้เพื่อแย่งตาแหน่งประธานาธิบดีการแย่งตาแหน่งนายกรัฐมนตรีการเป็นต้นในสมัยโบราณก็รบเพื่อแย่งความเป็นใหญ่กันจงกลายเป็นศึกสงครามมาต่อสู้กันนั่นก็แสดงว่ามันเกิดมาจากมานะคือความถือตัวถือตน ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่เป็ น, นโน้นตามที่ตนต้องการปรารถนาพอใจแต่ว่าที่ถือว่าใหญ่ที่สุดรุ่งยากที่สุดสรับลับซ้อซ้อนมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของความเห็นการต่อสู้กันในด้านความเห็น เ, นเห็นไม่ต่างเห็นเห็นไม่ตรงกันคืเห็นต่างกันนำไปสู่การเห็นค่าปัททุสารจนกลายเป็นสื่อสงคราม ในโลกเราในปัจจุบันที่เราเห็นว่าแบ่งอย่างเป็นสองฝ่ายอยู่นะหรือฝ่ายคอมมินิสต์กับฝ่ายประชาธิปไตยต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันก็ขัดแย้งกันแล้วก็ต่อสู้กันพยายามใจคนอื่นเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามใ้เป็นอย่างที่เขาเป็นเมื่มอเป็นอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นก็ถือว่าเป็นคัดศึกกันแล้วก็ต่อสู้กันมารบราข้าวฟันกัน ความรุนแรงล่านี้ไม่ได้มาจากอะไรมาจากาธาตุภายในใจของเราคือเชื้อกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราเป็นเชื้อของตัณหาเชื้อของมานะเชื้อของทิฏฐิที่มีอยู่ภายในใจมีการมองอารมณ์ที่เราสัมผัสบ้างมีการเหนียวนึกสึกนึกขึ้นมาภายในใจของเราบ้างและออกมาจงกลายเป็นความบุนแรงเป็นศึกสงครามกัน พอตรงนั้นสงบเราจะเห็นว่ามันก็สงบได้สงคารามมันก็สงบได้ทางๆ ท, ที่ต่อสู้กันบาดเจ็บต้องตายเป็นนั้นมากแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมือ่อปัญหาได้รับการตอบสนองมาได้รับการตอบสนองที่ถี่ได้รับการตอบสนองแล้วก็สงบไปได้ระยะหนึ่งแต่โลกไม่เคยหยุดสงคารามมันก็สงบไปในจุดหนึ่งแต่อาจจะบังเกิดในจุดอื่นๆต่อไปแล้วก็เรื่องมันก็ซ้ํา มันแสดงด้ึงความรุนแรงของกิเลสว่ามันรุนแรงเอามากๆแต่ว่าจุดประกายมันก็มีนิดเดียวคืออยู่ภายในใจของเราเชื้อภายในใจของเราประมองคล้ายๆกั็มัไม้ขีดกั้นเดียวแต่ว่าเผาบ้านเผาเมืองได้เพราะว่ามันได้เชื้อแล้วก็ลุกลามไปได้ด้วด่อยๆสมาธิมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติต่างๆ พร อ, อาการของสมาธิก็คือสงบสงบจากนิวรทั้งห้าประการลงไปได้เป็นจิตที่อิสระตรงอุปมาว่าเป็นจิตที่เหมือนกับคนซึ่งพ้นจากการเป็นนี่เป็นสินผู้คนอื่นมันมีความอิสระมีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนที่จะทำอะไรได้ตามต้องการของตอนเอง หรือเป็นมืงคนที่หายจากป่วยหายจากโรคภยัยก็จะเปลี่ยนเปี่ยก็สามารถอยู่ดีมีสุขภายในครอบครัวได้หรือเป็นเหมือนกับคนที่พ้นจากภุกตารางหรือออกมาข้างนอกมีเสรีภาพมีสละภาพอยู่กับครอบครัวด้วยความปกติสุขหรือเปรียบเหมือนคนที่พ้นจากความเป็นทาสของบุคคลอื่น ไม่มีใครบังคับใช้ไม่มีใครมาควบคุมไม่มีใครมาสั่งการหรือเปรียบบางคนที่เดินหลุดพ้นจากทางที่ไกลกันดารแล้วก็ไปถึงสถานที่นั้นๆโดยความสวัสดีแต่วกว่าจะทำลายพวกนิวรนเหล่านี้ไปได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ อะไรเพราะว่านิวรณนแต่ละข้อนั้นที่จริงแล้วเนี่ยการรัดการปฏิบัติระดับสมาธิมันทําได้เพียงซึงสยบหรือสงบแต่นั่นเองหมายความมาการความรุนแรงของนิวรณ์บรรเทาลงแต่ไม่ใช่ดับเพราะการจะดับนิวรณ์แต่ละข้อได้นั้นมันต้องเป็นการปฏิบัติระดับอริยมรรหมายความมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ย ศีลเราต้องสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณก็รเริ่มดับนิวรณ์บางพอได้เพราะนิวรณ์นห้าข้อข้อแรกคือกวามฉันความพอใจรักใคร่ในวัตถุกรรมทั้งหลายก็คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในปวดรพะที่ใจไปกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาน่าพอใจ จะสงบลงไปได้ก็สงบขาดได้สิ้นเชิงจริงๆละขาดได้สิ้นเชิงจริงๆและระดับสมาธินั้นก็คือสมาธิเป็นตัวสงบได้แต่สงบแบบเอาศิลามาทับหญ้าไว้หรือเอาเสือลำแพนมาปูวไว้ที่สนามหญ้ามันไม่เห็นหญ้าแต่ว่ามีหญ้าอตใจของท่านที่บรรลุฌานก็มีลักษณะอย่างนั้นคือไม่ใช่ไม่มีกิเลสแต่ว่าสยบ ก, กิเลสออกไ้ เป็ดนี่เองในสมัยโบราณเราจึงพบก่อนสมัยพุทธกาลในหลังพุทธกาลหรือแม้ในปัจจุบันประเทศอินเดียผู้ฤๅษีจีไพรก็อยู่ในป่าตามถาม้ำตามเขาตามโคนไม้สร้างอาสมอยู่ในป่าทรมาณตัวเองบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่ด้วยประการต่างๆแล้วก็ไม่ยอมออกมาต่อสู้กับกระแสะโลกกระแสะอารมณ์ พอท่านสู้ไม่ได้จิตใจท่านอ่อนไหวไปเจอเจอแสงสีที่วิจิตเข้าจิตใจก็เป๋ทันทีแต่ว่าแนวของพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่แนวแบบฤฤษีแนวของพระพุทธศาสนาคล้ายๆกับวรรณคดีโบราณซึ่งจะจักวงวงที่บอกว่าพระาชกุมารไปศึกษาศินเปลววิทยากับฤษีในป่า แล้วกลับมาอยู่ครอบครองเมืองคืออยู่กับประชาชนไม่ใช่ทอดทิ้งประชาชนทอดทิ้งคนทั้งหลายไปหาความสงบเป็นการส่วนตัวแต่ออกมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในป่ามาก่อนที่จะบาเพ็ญเพียรจตุรูพอต่อจากนั้นก็อยู่ในเป็นที่เป็ น, ป น, ป น, ปนทางไปในที่ต่างๆหรือแม้แต่อยู่ในป่าบางครั้งก็เป็นการเสด็จไปเพื่อโปรดคนเหล่านั้น เพราะถ้าหากว่าคนจบการศาึกษาแล้วก็ทิ้งสังคมจบการศาึกษาทิ้งสังคมเนี่ยการศึกษาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเมาเพราะเป็นการทำประโยชน์เพียงคนเพียงคนเดียวเท่านั้นเองคนเพียงคนเดียวเท่านั้นเองได้รับประโยชน์อาการของสมาธิที่มาสงบพวกพยาบาทได้พวกสงบกรรมฉันเรียกว่าตัดเด็ดขาดได้ ต้องเป็นระดับของพระอนาคา ม, มีจึงไปตัดได้คนสามัญทั่วไปไปตัดไม่ได้เพราะเป็นกิเลสที่แรงมากในพยาบาทนั้นเราสามารถเจริญเมตตาจิตแผ่ไปตั้งใจประกอบดปวยเมตตาเป็นสัตว์ทั้งหลายทั้งโวงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกั น, กนไม่มรุกรุกรายกันให้แต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามรูปควรแก่ฐานะของตน เราตั้งใจปรารถนาที่จะเห็นก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดพยาบาทได้อย่างเด็ดขาดเพราะการตัดพยาบาทได้อย่างเด็ดขาดจริงๆนั้นจะต้องไปถึงระดับพระนาคามีเช่นเดียวกันเพราะเราจเจริญมรรคผลสองข้อเนี่ยมือระดับพระนาคามีถึงจะลาได้พอมาถึงสีนะสีนมิธานะ ความเมื่องเงานอนซึ่งซึ่งงอยเงาทั้งหลายเนี่ยเป็นกิเลสประเภทที่ลึกดังนนที่จะละได้ต้องเป็นระดับพระาราหันแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันการเคลื่อนไหวให้กระจากระเฉ ง, งว่องวปราดเปรียวไม่อืดไม่ลาชา้ามีความบุษสาหามีความบักบันมีความหมันขยนันมีการทางานที่ต่อเนื่อง ก, กันไป สามารถบรรเทาพวกนิวรณ์เหล่านี้ลงไปได้จะเป็นการพูดระดับบรรเทาไหมจะพูดระดับหมดสิ้นไประดับหมดสิ้นไปก็ต้องไปถึงระดับพระอรหันต์ดังกล่าวท่านผู้ฟังทั้งหลายในรบมรรคยาณในวันนี้ขอข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่วงงามไปบุญในธรรมตรงนี้แต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี